ว่าผมเป็นผีพรายผีพรายนี่ชอบสีเขียวตัวตัวเป็นเขียวอาจารย์กับนักศึกษาก็ไม่ได้หัวเราะเยาะ อ, อะไรก็พยักหน้ารับรู้สักพักชายคนนั้นก็ร้องโ h o ร้องไห้อาจารย์ก็เลยถามว่าเป็นอะไรอะ่ะทำไมถึงร้องไห้ชายคนนั้นก็บอกว่าคุณรู้ไหมนะ่มันแย่จริงๆเลยนะที่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 แล้วคนที่บาเพ็ญให้ทารักษาศีลหรือว่าเข้าวัดนี่ก็กิเลสมันก็ใช้ความจริงอันนี้เนี่ยมาชู ว, ว่ากูเก่งกูแน่กูดีนะกูเป็นคนประเสริฐแล้วสิ่งที่ตามมาคือว่าดูถูกคนอื่นอันนี้คือปัญหาแล้วปัญหามจะเกิดขึ้นยังไงนะ เ, เมื่อสักมันมีนักนักทหนังคนหนึ่งนะที่มีชื่อ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 เห็นเหล้าเห็นเบียรมาวางอยู่ก็ลองชิมดูชิมแล้วก็สึกมันขมๆนะไม่เห็นหน่ากินเลยชิมสักพักก็วางผ่านไปสองสาเดือนขณะที่ทั้งเปียกทั้งกเกษียณนี่กําลังวาดภาพอยู่ในสตูดิโอผู้วาสตูดิโอนะแต่ที่จริงมันก็คือเหมือนกับโกดังกันนะจู่ๆเปียกก็เห็นกเกษียณเนี่ยนะสั่งเบียรมากิน เบียก็เลยพูดขึ้นมาว่าอ้าวทำไมกินนะว่าเขาว่าว่าคนกินเหล้าว่าโง่ชิบหายแล้วทำไมถึงกินกระเสียงก็บอกว่ า, าคุณไม่รู้อะไรนะเหล้าเนี่ยมันเป็นของพวกสถุนพวกคนชั้นต่ำและเบียร์นี่มันสวหรับคนชั้นสูงเอาไว้กินผ่อนคลายนะมีเหตุผลน ะ, ละกินเบียร์เพราะมันเป็นของคนชั้นสูง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 แล้วก็เป็นอัมพาตเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็ไม่นานก็ตายเพราะเหล้านอกจากคนที่เคยด่าว่าคนกินเหล้าว่างโง่เนี่ยโง่ชิดพายเลยนะกินเหล้าแต่ให้เหล้ากินไปมาตัวนี่กลับเป็นซะเองอ่ามันมีคําภาษิตว่าเนี่ยอย่าอย่าว่าคนเมานะใครที่ฟังเรื่องนี้ก็จะคิดว่าเนี่ยเป็นเพราะไปว่าเขาตัวเองก็เลยเป็นซะเองนะ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 มันมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ในใจนะว่ากูแน่ไอ้พวกนี้มันโง่นะกินเหล้าแต่ให้เหล้ากินพอคิดว่ากูแน่เนี่ยนะมันก็จะมีความประมาทประมาทว่าเหล้าทําอะไรกูไม่ได้หรอกนะเหล้าเนี่ยมันมันจะเล่นงานก็เฉพาะคนโง่นะอย่างไอ้พวกเนี้ยไอ้ความยกตนข่มท่านเนี่ยมันทํามันนําไปสู่ความประมาทความประมาทว่ากูแน่นะเหล้าทําอะไรกูไม่ได้หรอก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 ตามแนวทางของส่วนโมกนะของวัดชชนประทานกลายเป็นคนติดเหล้าไปเลยแล้วก็ติดหนักขึ้นเรื่อยๆนะจนรทางวันหนึ่งก็ได้ข่าวว่าข่าตัวตายนะเอาปืนเนี่ยกรอกใส่ปากยิงปืนยาวที่มั่งใช้เท้าเนี่ยลั่นไกนะ่จากพระที่ชวนคนภาวนาทาสมาธิเจริญสตินะ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 ซึ่งตัวเองเนี่ยก็เคยมีเพศสัมพันธ์นะผิดหลายเด้งเหลือเกินนะะพระเหล่านี้ท่านก็สอนนะพระท่านนี้ท่านก็คงสอนนะว่าอผิดสีไม่ดีนะไอ้พวกที่ผิดสีเมันพวกงี่เง่านะโง่อันนี้แหละนะเป็นการเปิดช่องให้กิเลสเนี่ยมันสามารถจะเข้ามาเล่นงานได้ยิ่งเวลาเจอขาพวกนี้เจอได้ฟังเรื่องเหล่าอย่างนี้อย่าไปอย่าไ ป, อ ย, าไปอย่าไปดูถูกเขานะ อย่าไปเย็ดยามเขาต้องมองว่าโออน้อมเขามาใส่ตัวเออเราต้องระวังนะอย่าเป็นอย่างเขาเอาเขามาเป็นครูสอนเราว่าเราอย่าเป็นอย่างเขานะนนที่ขนาดเขายังเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยถ้าเราประมาทเราก็อาจจะพ้าท่าเสียทีอย่างเขาก็ได้อย่างกเสียเนี่ยนะถ้าหากว่าเออเห็นคนกินเหล้าแล้วแล้ววันนั้นเนี่ยแทนที่จะนึกดูถูกเย็ดยามว่ามันโง่ มองว่าเออเราต้องระวังนะอย่าเป็นอย่างเขานะเขากินเหล้าจนเ ม, มาไม่เนี่ยนะมันน่าสงสารเนี่ยถ้าเราเป็นอย่างนั้นนี่แย่เลยนะอย่าเป็นอย่างอย่างนั้นเด็กขาดนะถ้าคิดแบบนี้นยะมันก็จะเตือนใจให้ไม่ประมาทให้ระมัดระวังนะะถ้าคิดแบบนี้เนี่ยการที่จะไปพลาดท่าเสียทีอใบยมุกนะหรือว่าการผิดศีลอื่อนๆเนี่ยมันก็จะน้อยลง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 คนเราพอหลงแล้วเนี่ยนะมันก็ค่อยคล้อยต่ำไปเรื่อยๆอาจจะไม่ถึงกับกับตาลปัดนะภายในวันสองวันแต่ว่าพอผ่านไปปีสองปีสามสี่ห้าปีเนี่ยนะมันก็ไปจุดนั่นได้นะเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันฉลาดมากนะในการที่จะล่อให้เราค่อยๆหลงตัวลืมตนไปชิลนิชชิลนิช กว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วนะบางทีไม่รู้ตัวได้ซ้ำเพราะว่ามันหลงจนนึกอะไรไม่ออกเลยนั้นความผิดหรือว่าบาปแม้เพียงเล็กน้อยนี้ก็ต้องระวังอย่าประมาทต้อง อ, อย่างที่พูดเมชาณ ว, ว่าไอ้ความหลงเนี่ยมันมันฉลาดมากนะมันช่วยโอกาสที่จะครอบงาเล่นงานจิตใจเราได้ตลอดเวลาทุกโอกาสแล้วมันก็มาด้วย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 มันจะขโมยของมันไม่บอกเราหรอว่ามันจะขโมยของนะมันจะมาอ้างว่ามันจะมาหลอกเราให้ยืมยืมยืมไปสักหน่อยก่อนนะยืมไปใช้ก่อนพอใช้ไปสักสองสาวันก็ขอใช้ต่ออีกสี่สองสามเดือนเสร็จแล้วก็ยึดเอาไว้เลยนะการผิดศีลนี่มันมาด้วยวิธีการแบบค่อยเป็นค่อยไปนะกิเลสนี่มันฉลาดล่อให้เราหลงได้ง่ายนั้นถ้าเราประมาทนันเราก็จะพลาดท่าเสียทีมันในที่สุด อ่ะข้ามี้วเพกันท่านนี้กลับพะ